สิกขาบทที่สิบว่าได้การสอนดิรชานวิชาเรื่องภิกษุณีชัพักคี 1,017 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินที่กะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีชัพักคีสอนดิรชานวิชาชาวบ้านตำนิประนามพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีชพกคี จึงสอนดิรชานวิชาเหมือนหญิงเครือข่าผู้บริโภคกามเล่าพิชฌณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตนําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีฉัพพชีจึงสอนดิรชานวิชาเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้